จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุการณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่าน <c oughs> วันนี้เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้เดินทางมาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลในวันอาทิตย์ที่สาม มีนาคมพุทธศักราช2556นี้บุญกุศลที่พวกท่านทั้งหลายมาทำมาสร้างกันนี้เป็นเหมือนบันไดที่เราใช้ที่เราจะใช้ในการบินข้ามกำแพงตอนนี้พวกเราเป็นเหมือนนักโทษติดอยู่ในตารางติดอยู่ในคุก ติดอยู่ในเรือนจำที่มีกำแพงล้อมรอบอยู่สี่ด้านด้วยกันกำแพงที่ล้อมรอบพวกเราอยู่ก็คือกำแพงแห่งความเกิดกำแพงแห่งความแก่กำแพงแห่งความเจ็บไข้ได้ป่วยและความกำแพงแห่งความตายนี่คือกำแพงที่กักขังพวกเรา ให้ต้องวนเวียนอยู่กับการเกิดการแก่การเจ็บการตายมาอย่างนับไม่ถ้วนถ้าเป็นนักโทษก็เป็นจำคุกตลอดชีวิตแต่ชีวิตของใจนี้มันไม่มีวันสิ้นสุดชีวิตของร่างกายมันยังมีเวลาสิ้นสุดได้เช่นพอร่างกายตายไป เขาก็ไม่ขังเอาไว้ในคุกในตารางต่อไปแต่ใจนี้มันไม่มีวันตายมันเลยถูกจาคุกอยู่ในเรือนจาแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแห่งการเกิดแก่เจ็บตายอยู่มาตลอดเวลาและจะอยู่อย่างนี้ไปเป็นอย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าจะมีพระพุทธเจ้า มาค้นพบบันไดที่จะเอาไว้พาดกาแพงแล้วจะได้ปีนข้ามกาแพงออกมาได้มีพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่มีความสามารถที่จะสร้างกำแพงสร้างบันไดเพื่อปีนป่ายข้ามกาแพงแห่งการเกิดแก่เก็บตายเพื่อจะได้หลุดพ้นจากคุกแห่งการเกิดแก่ เจ็บตายได้อย่างถาวรหลังจากที่พ่อองค์ได้รู้จักวิธีสร้างบันไดแล้วพ่อองค์ก็นำเอาวิธีสร้างบันไดามาสั่งสอยให้แก่สัว์โลกบันไดที่พระเจ้าทรงสร้างนี้ก็มีอยู่สามขั้นใหญ่ๆแต่ถ้าซอยออกไปก็เป็นแดขั้นด้วยกัน ขั้นบันไดสามขั้นใหญ่ๆก็คืออะไรก็คือทานศีลภาวนาถ้าซอยให้มันเล็กลงก็จะมีแขั้นด้วยกันคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกรปรความดำริชอบสัมมากรรมันโตการกระทำชอบสัมมาวาจาการพูดที่ชอบสัมมา อาชีว <c oughs> ์อาชีพที่ชอบสัมมาวายาโมความภาคเปลี่ยนที่ชอบสัมมาสติความความระลึกรู้ที่ชอบและสัมมาสมาธิความตั้งมั่นที่ชอบนี่คือบันไดแปดขั้นหรือสามขั้นท่านบันไดสามขั้นก็คือทาน แล้วก็ศีลศีลก็คือสัมมากรรมโตสัมมาวาจาสัมมาอาชีว์คือการกระทำชอบการพูดชอบอาชีพชอบส่วนภาวนานี่ก็คือสัมมาวายาโมความภาคเพียรชอบสัมมาสติการละเลึกชอบสัมมาสมาธิการตั้งใจ ตั้งมั่นของใจที่ชอบและสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอันนี้เป็นปัญญาองค์ภาวนานีขั้นขั้นของภาวนานี้มีแยกไว้เป็นห้าขั้นด้วยกันขั้นแรกเรียกว่าสมถกภาวนาต้องมีสัมมาวายาโมวความเพียรชอบมีสัมมาสติการระลึกชอบ มีสัมมาส ม, มาธิการตั้งมั่นชอบนี่เรียกว่าส ม, มถาภาวนาส่วนวิปัสนาภาวนาก็คือต้องมีความเห็นชอบและมีความคิดชอบถึงจะเรียกว่าเป็นวิปัสนานี่คือขั้นบันไดที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นมาและใช้ขั้นบันไดนี้พาให้พระองค์ได้หลุด ออกมาจากเรือนจำแห่งการเกิดแก่เจ็บตายหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงนำเอาวิธีสร้างบันไดนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายผู้ที่มีศรัทธามีความเชื่อแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติ <c oughs> ก็จะสามารถสร้างบันได ไว้สำหรับปีนข้ามกำแพงสามารถเล็ดลอดหนุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ <c oughs> บุคคลเหล่านั้นท่านก็มีชื่อว่าพระอรหันตสาวกทั้งหลายเป็นสังฆสรณะเป็นที่พึ่งของสวรโลกต่อจากพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเสด็จดับขันธปรณีผ่านไปแล้ว สัตว์โลกก็ต้องพึ่งพระอรหันตระพระอรหันตตสาวกที่มีดวงตาเห็นธรรมที่มีธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจที่สามารถนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกได้รับประโยชน์นี่คือเรื่องของพวกเรา แลเรื่องของพระพุทธศาสนาถ้าพวกเราเกิดมาแล้วไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้พบกับพระธรรมคำสอนที่สอนให้เราสร้างบันไดไว้าปินข้ามกําแพงแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเกิดแก่เจ็บตายพวกเราก็ยังจะต้องเกิดแก่เจ็บตายถูกจําคุก อยู่ในเรืองจำแห่งการเรวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วเราได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้พวกเราสร้างบันไดไว้ปีนข้ามกำแพงกันถ้าเรานำเอาคำสอนมาปฏิบัติเราก็จะสามารถ สร้างบันไดให้เราได้ปีนป่ายข้ามกำแพงให้ออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้นี่คือสิ่งที่พวกเราควรจะให้ความสำคัญเพราะไม่มีอะไรที่จะทำให้พวกเราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นอกจากการปฏิบัติตามคำสอน ของพระพุทธเจ้าเท่านั้น <c oughs> ถ้าเราไม่ทำตามตาคำสอนหรือทำน้อยทำไม่มากพอเราก็จะไม่สามารถสร้างบันไดให้ทา <c oughs> ให้พาให้เราได้ข้ามกำแพงไปได้ <c oughs> ดังนั้นถ้าเรายัง <c oughs> ถ้าเราต้องการที่จะ ออกจากคุกออกตารางออกจากตารางออกจากเรือนจำแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องสร้างบุญสร้างกุศล ส, สร้างบันไดาสามขั้นที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้สร้างตั้งแต่บัดนี้ไปและต้องสร้างให้ได้เต็มเต็มที่เต็มร้อยถ้าไม่ได้เต็มร้อยก็จะไม่ได้บันไดที่จะ ใช้ปีนไปข้ามกำแพงกันการกระทำ<ม>ตามที่พระเจ้าสอนให้ทำเต็มร้อยนี้ทำอย่างไรคือข้อที่หนึ่งทานคือให้สละสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆที่เราไม่มีความจำเป็น <c oughs> ต้องจะเก็บเอาไว้ <c oughs> ก็ไม่ควรที่จะมีไว้ <c oughs> เช่นเงินทองที่เรามีก็ควรจะมีไว้สำหรับใช้จ่ายในสิ่งที่จาเป็นเท่านั้นก็คือไว้ซื้ออาหารซื้ อ, อยารักษาโรคซื้อเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหง่มและซื้อที่อยู่อาศัยเท่านั้นไม่ควรจะนำเงินทองไปซื้อสิ่งอื่นเช่นซื้อความสุขทางตาหูจมูกิ้นกาย ซื้อข้าวของต่างๆที่ไม่จําเป็นหรือซื้อเสื้อผ้าซื้ออาหารซื้ออะไรที่เกินความจําเป็นอย่างนี้จะเป็นการทําให้เราติดและทําให้เราต้องซื้ออยู่เรื่อยๆถ้าเราเคยซื้อความสุขทางต า, งางหูจํานวนนิ้นกายเราก็จะติดเราก็จะซื้ออยู่เรื่อยๆเช่นเราซื้อกาแฟมาดื่มอยู่เรื่อยๆ ก็เพราะเราติดความสุขที่ได้จากการดื่มกาแฟาเราซื้อแผ่นวิดีโอมาดูอยู่เรื่อยๆก็เพราะเราติดอยู่กับการดูภาพภยนต์ซื้อแผ่นซีดีมาฟังอยู่เรื่อยๆาะเราติดอยู่กับความสุขที่ได้จากการฟังเพลงถ้าเราไม่หยุดซื้อเราก็จะต้องซื้ออยู่เรื่อยๆเมื่อเราซื้ออยู่เรื่อยๆเราก็จะต้อง หางเงินมาอยู่เรื่อยๆ เ, เราก็จะไม่มีเวลามาทำทานมารักษาศีลมาภาวนานั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะมา <c oughs> ทำทานมาภาวนามารักษาศีลเราก็ต้องตัดการใช้เงินทองที่ไม่จำเป็นไปเอาเงินทองนี้มาทา ทานแทนนั่นเองทำทานแล้วใจของเราก็จะมีความสุขพอมีความสุขเราก็จะเห็นคุณค่าของการทำทำทานเราจะเห็นคุณค่าของการรักษาสิงการรักษาสิงจะรักษาให้ใจของเราสงบนั่นเองเวลาเราทำบาปใจของเราจะไม่สงบใจของเราจะวุ่นวายปั่นป่วนจะเดือดร้อน จะวิตกกังวลถ้าเรารักษาศีลได้ใจของเราก็จะไม่ปัน่นป่วนไม่เดือดร้อนไม่วิตกกังวลถ้าเราทําทานได้เราก็จะรักษาศีลได้เพราะคนทําทานนี้เป็นคนที่มีความเมตตามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเวลาทาอะไรก็จะไม่อยากให้ผู้อื่นเดือดร้อน เวลาทำก็จะต้องพิจารณาเสมอว่าทำแล้วผู้อื่นจะเดือดร้อนจากการกระทำของตนหรือไม่ก็จะไม่กล้าทำบาปจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดเวรนี้ตเวณีไม่พูดปดไม่เสพสุรายามรรักษาศีลด้ายใจก็จะมีความสงบเพิ่มมากขึ้นมีความสุขเพิ่มมากขึ้น ก็จะทำให้อยากที่จะภาวนาถ้าอยากจะภาวนาก็าจะต้องสละสมบัติเงินทองให้หมดเลยเช่นนักบวชทั้งหลายที่ออกบวชก่อนที่จะออกบวชก็มีสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆเช่นพระพุทธเจ้าก็เป็นพระราชกุมารมีทรัพย์สมบัติมีพระราชทรัพย์ต่างๆมากมาย แต่พระ อ, องค์ก็ทรงเห็นว่าทรัพย์ต่างๆเหล่า น, นี้ไม่สามารถทําให้พระ อ, องค์เล็ดลอดออกจากกําแพงแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่สามารถดับความทุกข์ภายในพระไทยของพระ อ, องค์ได้พระ อ, องค์จึงทรงสละราชสมบัติเพื่อออกไปภาวนาเพื่อออกไปรักษาศีลเพราะเชื่อว่าการรักษาศีล การภาวนานี้จะทำให้พระองค์ได้เล็ดลอดออกมาได้ปินข้างกำแพงแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้และก็ทรงเป็นอย่างนั้นเพราะหลังจากที่สละราชสมบัติแล้วก็ออกมารักษาสิงห์ให้บริสุทธ์ตลอดเวลาแล้วก็ภาวนาทั้งสมถะภาวนา และวิปัสสนาภาวนาจนในที่สุดก็สามารถปีนกําแพงแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างถาวรหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงนําเอาวิธีที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติเอามาเผยแก่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปทง่งสอนให้ทําทาน ให้เราสละทรัพย์สมบัติสละชีวิตสละเพศแห่งการเป็นคาลาวะาเพราะเพศของคาลาวานี้เป็นเพศที่ต้องยังต้องวนเวียนอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองถ้าอยากจะเห ล, หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องออกจากเพศของคาลาวะาไปต้องออกไปบวชไปรักษาศีลไปภาวนา ถ้าไม่ออกบวชการที่จะอยู่เป็นค า, ารวะแล้วรักษาศีลปฏิบัติภาวนานี้เป็นสิ่งที่ยากมากแต่ก็อาจจะทำได้สำหรับบางคนบางท่านที่ได้สร้างบุญสร้างผู้ส ม, มามากพอได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพทะเจ้าก็สามารถปฏิบัติ ในขณะที่เป็นคาวาดได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้แต่หลังจากที่บรรลุแล้วก็จะไม่มีความปรารถนาที่จะอยู่เป็นคารวาดต่อไปผู้ที่ได้บรรลุเป็นอาหารหันต์ในขณะที่เป็นคารวะนั้นก็จะขอพระพุทธเจ้าบวชเป็นพระต่อไปทันทีเพราะว่าชีวิตของคารวะนี้ เต็มไปด้วยความวุ่นวายเต็มไปไดเต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยความทุกข์นั่นเองพระอาหารหันต์ท่านจะไม่อยู่กับคาวาดโดยเด็ดขาดเพราะว่าการดำเนินชีวิตนั้นไปคนละทางกันคาวาดนี้จะหาความสุขทางตาหูจมูกวิ้นกาย หาความสุขจากราบรสสรรเสริญแต่พระอาหารหันต์นี้ท่านหาความสุขจากความสงบจึงมีวิถีชีวิตที่ไม่เหมือนกันอยู่ด้วยกันไม่ได้ผู้ที่หาความสงบหาความสุขจากความสงบก็จะไม่อยากอยู่กับผู้ที่ยังหาความสุข จากรูปเสียงกลิ่นลดโปรดถ้พระอยู่ดังนั้นคารวาที่ได้ปฏิบัติได้ภาวนาได้พบกับความสงบแล้วก็จะเบื่อกับชีวิตของคารวะถ้ายังไม่ได้บวชก็จะไปอยู่วัดบ่อยๆอยู่วัดเรื่อยๆพอมีเวลาว่างก็จะไปอยู่วัดทันทีที่ยังไม่ได้บวชก็เป็นเพราะว่า ยังมีภาระที่ยังตักไม่ได้เช่นมีความรับผิดชอบต่อลูกอย่างนี้ลูกยังเล็กยังไม่มีใครเลี้ยงดูถ้าทิ้งไปลูกก็จะเดือดร้อนเพราะความเมตตาสงสารลูกก็เลยทําให้ยังไปบวชไม่ได้แต่ถ้าลูกโตแล้วหรือลูกตายไปก่อนอย่างนี้ พอไม่มีภาระที่ต้องเลี้ยงดูลูกแล้วไม่มีภาระต้องเลี้ยงดูรับผิดชอบใครแล้วก็ไม่อยากจะอยู่เป็นคาวาว่าก็ออกบวชกันไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายก็ตามใครก็ตามถ้าได้ภาวนาแล้วได้พบกับความสงบภายในใจจะเบื่อกับความสุขทางโลก ท, ทันที เพราะความสุขที่เกิดจากความสงบนี้มีน้ำหนักมากกว่าความสุขทางโลกเหมือนช้างกับหนูความสุขที่เกิดจากความสงบนี้มีน้ำหนักเหมือนน้ำหนักของช้างส่วนความสุขทางโลกนี้มีน้ำหนักเหมือนน้ำหนักของหนูเปรียบเทียบกันไม่ได้ถ้าเราได้รับความสุขที่มีน้ำหนัก ขนาดน้ำหนักของช้างแล้วเราก็จะไม่อยากจะได้ความสุขจากน้ำหนักความสุขน้ำหนักของหนูเหมือนกับถ้าเราได้เงินเป็นล้านแล้วเราจะไม่อยากได้เงินเป็นเป็นสิบเป็นยี่สิบเราไปหาเงินที่ได้ทีละล้านดีกว่าดีกว่าไปหาเงินที่ได้ครั้งละสิบบาทยี่สิบบาทนี่คือความสุข ทางโลกกับทางธรรมมีความแตกต่างกันเหมือนฟ้ากับดินผู้ที่ภาวนาทําใจให้สงบได้จะไม่ต้องการหาความสุขทางตาหูจะหลุลิ้นกายทางลาบลศสารเสริญสุขอีกต่อไปจะพุ่งไปสู่การหาความสุขที่เกิดจากความสงบการที่จะได้ความสุขที่เกิดจากความสงบ ก็ต้องไปอยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลจากบุคคลห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะห่างไกลจากแสงสีเสียงที่ยั่วยวนกวนใจที่หลอกล่อให้ติดอยู่เหมือนกับปลาที่ติดอยู่กับเบ็ดเนื่องจากไปหลงพูดเอาเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ด ความสุขทางโลกก็เป็ น, หนเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดที่จะคอยผูกมาจิตใจของสัตว์โลกให้ต้องติดอยู่กับความสุขทางตาหูจมูกมินกาความสุขทางราบยศสรรเสริญก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดกลับมาหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นลดไป ไม่มีวันสิ้นสุดแต่ความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันมีความทุกข์ตามมาด้วยมันมีตะขอเบ็ดเกี่ยวใจด้วยก็คือความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆนั่นเองเวลาเจริญก็มีความสุข ด, ดีอกดีใจกันเวลาเสือ่อมเวลาหมดไปก็เศร้าโศกเสียใจ ทุกทรมานใจกันนี่คือความสุขทางโลกเป็นอย่างนี้มีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาจึงต้องหามาอยู่เรื่อยๆหามาได้มากน้อยเพียงไรก็จะต้องเสื่อมหมดไปมากน้อยเท่านั้นเวลาเสื่อมก็เศร้าโศกเสียใจทุกทรมานใจแต่ก็ไม่เคยเถิดลาไม่เคยรู้จักว่านี่คือเป็นความทุกข์ กับยังหลง ค, คิดว่าเป็นความสุขอยู่ยังหาความสุขจากลาบยศสะะเสริญต่อไปยังหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะต่อไปเวลาร้องหงมร้องไห้เศร้าโศกเสียใจก็ไม่รู้ว่าเกิดจากการไปหาความสุขจากลาบยศสรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะนี่เองนี่คือความหลง ที่หลอกที่ครอบงำจิตใจไม่ให้เห็นความจริงไม่ให้เห็นความทุกข์ในลาภยศสารเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสผลเถะมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่มีปัญญามีความฉลาดที่สามารถมองเห็นความทุกข์เหล่านี้ได้พระองค์จึงกล้าที่จะสละความสุขต่างๆทางโลกไปหมด แล้วมุ่งไปหาความสุขทางธรรมที่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ถาวรพวกเราจึงถือว่ามีบุญมีวาสนาที่ได้มาเกิดมาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้พบกับพระอวหารตสาวกที่จะเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่เพื่อให้พวกเราได้ มีหนทางที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้เพราะผู้ที่ทบรรลุผู้ที่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วจะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการเผยแผ่สั่งสอนให้ผู้ฟังได้เห็นความทุกข์ที่มีอยู่ในราบยศสลดเสริญ มีอยู่ในรูปสิ่งกินรสผดทะพะนี้เองผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็จะเกิดศรัทธาที่อยากจะหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็จะมีความวิริยะความอุตสาหะความภาคเพียรมีความยินดีที่จะทำทานอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อน ที่จะรักษาศีลอย่างที่ไม่เคยรักษามาก่อนที่จะภาวนาอย่างที่ไม่เคยภาวนามาก่อนพอได้ทำทานได้รักษาศีนได้ภาวนาอย่างสุดๆแล้วการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายก็จะเป็นผลที่ตามมาต่อไปอย่างแน่นอนเพราะนี่คือวิธีที่พระ อ, อรหันตสาวกทั้งหลาย ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดมาแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดมาแล้วด้วยวิธีนี้เองวิธีที่ทำทานรักษาศีลภาวนาอย่างสุดๆคือทำอย่างเต็มที่ไม่ได้ทำอย่างทีละเล็กทีละน้อยอย่างที่พวกเราทำกันตอนนี้พวกเราถ้ า, ถ, าถ้าเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้า เปรียบเทียบกับพระอาหารหันต์แล้วเรายังทำกันเพียงเล็กน้อยไม่ได้ผงธุลีของที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ตรัสาวกทํากันถ้าพวกเรายังทำกันอย่างนี้อยู่ก็คงจะไม่มีวันที่จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอย่างมากที่จะได้ก็คือตายไปก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ แล้วพอหมดบุญก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้ไปได้เรื่อยตราบใดถ้าเรายังไม่ทำทางรักษาศีลภาวนาอย่างเต็มที่เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ทำกันถ้าเราอยากที่จะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนพระอาหารหันตสาวลก เราก็ต้อง ป, ปฏิบัติให้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารตาสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติกันก็คือต้องทำทานอย่างเต็มที่มีสมบัติเท่าไหร่ก็สละไปให้หมดรักษาศีลอย่างเต็มที่มีศีลกี่ข้อก็รักษาได้หมดแล้วก็ภาวนาอย่างเต็มที่ก็คือตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับจะไม่ทำภารกิจอย่างอื่นจะภาวนา อย่างต่อเนื่องด้วยการเจริญสติด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญด้วยการเดินจงกรมด้วยการพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราพิจารณาร่างกายว่าไม่สวยไม่งามมีอาการสาสองที่มีผิวหนัง <c oughs> ปุ้มหอ ปกปิดอยู่จึงไม่เห็นส่วนที่ไม่สวยงามต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกายนี้นี่คืองานภาวนาที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาไม่ปล่อยให้ใจไปคิดในทางโลกเลยไม่ปล่อยให้ไปคิดทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นล้นผลทพะเลยให้คิดแต่อริจังทุกขังอนัตตา เกิดแก่เจ็บตายอสุภะไม่สวยไม่งามเป็นดินน้ำลมไฟถ้าคิดอย่างนี้แล้วใจก็จะหายหลงพอหายหลงแล้วก็จะหายอยากจะไม่อยากได้อะไรพอไม่มีอยากแล้วก็จะไม่มีทุกข์ไม่มีพพไม่มีชาติตามมาอีกต่อไปนี่แหละคืองาที่พวกเราต้องทำกันถ้าเรา อยากจะหลุดจากการเวียนว่ายตายเกิด <c oughs> ไม่มีใครทำแทนเราได้เพราะพุทธเจ้าทำให้เราไม่ได้พระอาหารหันตสาวกทำให้เราไม่ได้เราต้องเป็นผู้ทำเองเท่านั้นจึงขอฝากเรื่องของการมาสร้างบุญสร้างกุศลที่เป็นเหมือนบันไดที่จะพาให้เราได้ปีนข้ามกําแพง แห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิตพิจาราและปฏิบัติ <c oughs> เพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีีรัตนไกรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้